พร้อมรืยังพ ร, พร้อมแล้วสม่ไหมพร้อมแล้วคำนวณใจดีๆนะคำนวณใจดีๆเลยนะนี่เป็นสังเวชนิยสถานแห่งสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายก็ตรงที่พระพุทธเจ้าก็มาดับขันทะปริณิพานที่นี่เดี๋ยวดับขันทะปริณิพานไม่เอาขัน ไม่เอาร่างกายไปเวียนไหว้าตายเกิดอีกต่อไปแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราก็พอเหมือนกันไม่เอาอะไรมายุ่งมากวนจิตใจอีกต่อไปแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะอารมณ์ที่มันมายุ่งมาก่อมากวนนี่แหละเป็นตัวที่ทาให้เวียนไหว้าตายเกิดนี่แหละตัวที่ทําให้เวียนไหว้าตายเกิดเนี่ยก็คือตัวที่มันเป็นอารมณ์ ตัวที่เป็นเรื่องราวาในจิตตัวที่จุกจิตอยู่ในจิตตัวที่พาจิตเราลุ่มร้อนพาจิตเราเศร้าหมองพาจิตเราขุนมัวมีอาการน้อยเนื้อต่ําใจมีอาการไม่พอใจมีอาการขุนเครืองใจมีการเหี่ยวแห้งใจมีการอ่างว้างเปล่าเปลี่ยวว้าเวต้องการคนโน้นคนนี้มาเห็นอกเห็นใจ ต้องการคนนั้นคนนี้มาเอาอกเอาใจมาพันเนาพันนอทาในสิ่งที่ถูกใจเราพวกนี้พาเวียนไหวตายเกิดหมดตัวห่วงใ ย, ยนั่นห่วงใ ย, ยนี่ห่วงใ ย, ยอันนั้นอันนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พาเวียนไหวตายเกิดหมดนี่ตัวที่มันพาเวียนไหวตายเกิดคือตัวที่เข้ามาลุงลังอยู่ในจิตของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าดับ ดับขันดับขันขันทั้งห้าดับหมดไม่เหลือไม่เหลือว่างเปล่าเวลาจะใช้ความคิดก็สร้างพลังจิตขึ้นมาอปโลโลขึ้นมานึกเรื่องราวขึ้นมาเพื่อที่จะหาคําตอบเพื่อทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกแล้วสิ่งนั้นก็จะดับไปเหมือนกันเดี๋ยวว่าอปโปลมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองไม่ใช่ว่าเราไปคิดว่ามันเป็นเรา มันเกิดเองแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเราพระองค์เนี่ยมาเรียกว่าร่างกายเนี่ยป่วยเสี่งป่วยไขยอยาอาา่อยู่ที่นี่มาอาพาธอยู่ที่นี่ขณะที่นอนในท่าสีหษะสายญาตพระอนนนก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญอัญเชิญพระองค์เนี่ยไปปรินิพพานที่อื่นเถิดที่นี่กุสินารานี้นะ่ะ เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองกิ่งเมืองดอนไม่เจริญไม่ลุ่งเรืองอัญเชิญพระองค์เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีเมืองจำปาเมืองสาเกตหรือว่าเมืองอื่นๆพาราณสีเป็นต้นซึ่งเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองใหญ่มีมหากษัตริย์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลข้าราชการบดีมหาศาลเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์เป็นอันมาก ที่นั่นจะเหมาะสมกว่ามีพาโนนทูลพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็นอนเพียบอยู่อพระเจ้าก็ดูก่อนอนท์เธออย่า ก, กล่าวอย่างนั้นเลยแต่ก่อนเมืองกุศินารานี้เป็นเมืองที่ใหญ่มากมีชื่อว่ากุสาวดีมีพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่ามหาสุทัศนะปกครองพระเจ้าจักรพรรดนี้ปกครองโลกนะปกครองมหาสมุทรทั้ง4ี่เลยมีอนุภาพมากก็คือปกครองโลกทั้งหมด เพราะว่าสร้างบารามีมามากพระองค์ก็เล่าเรื่องพระมหาสุทัศนะให้ฟังว่ามีจักมีสิ่งที่เป็นแก้วเกิดขึ้นเจ็ดอย่างเป็นสิ่งอัศจรรย์มากเลยนะมีจักแก้วจักแก้วอันเนี้ยเพียงแต่บอกว่าเออเชิญจักแก้วสเสด็จไปยังแว่นแขวนทั้งหลายเพื่อที่จะเผยแผ่ความเป็นธรรมออกไปเถิดแค่เนี้ยจักแก้วหมุนไปเองเลยไปปุ๊บไปจอด ไปหยุดอยู่ที่ประเทศไหนพระราชาแห่งประเทศนั้นก็จะเกิดความนอบน้อมออกมาสวามิภักดิ์ทันทีไม่ต้องลบแล้วพระเจ้ามหาสุทธะสัทนานี่ก็จะบอกว่าเออให้รักษาสีนหน้านะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ผู้ผิดในการไม่ให้พูดเท็จไม่ให้ดื่มสุราเมลยัยแล้วก็ให้ปกครองไปเหมือนเดิมพวกเหล่านั้นก็จะรักษาสีนหน้าแล้วก็ปกครองไปนี่แหละพระองค์ปกครองอย่างเนี้มีจักแก้วแล้วก็มี ช้างแก้วช้างแก้วนี้เหาะไปไหนมาไหนได้เลยนะขึ้นสวรรค์ไปไหนได้หมดเลยนะม้าแก้วนี่เหมือนกันเป็นพวกสิ่งที่พิเศษได้จากบุญทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่ามันมันเกิดไม่ได้นะบุญเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดขึ้นได้เมื่อบุญมันถึงเวลาเหมือนคนที่เกิดมาแล้วร่ํำรวยทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อมีเสียงมีคนยกจ่องสรรเสริญมีคนเคารพนบนอมพูดจาอะไรคนเขาก็เคารพเชื่อฟังเชื่อถือ นี่เป็นพอบุญทั้งหมดเลยนะที่เคยทํามาหมดเลยอันนี้พระพุทธเจ้าก็เล่าเล่าเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิชื่อมหาสุทนะให้พระอานุลฟังเพราะพระอานุ์บอกว่ากุศินารานี้เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยพระค์ก็เลยเล่าว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนประชาชนอยู่หนาแ น, น่นมีอยู่มีกินอาหารการกินหาได้สบายมากเลยสมัยนั้นแล้วก็มีพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีจักรแก้วมี ช้างแก้วมา้าแก้วแก้วมณีแก้วมณีนี่ก็กลางคืนมานะแค่เอาแก้วอันนี้ติดใส่ปลายธงชูขึ้นไปแสงสว่างเป็นกลางวันไปเลยนี่มีความอัศจรรย์มากเลยนะเนี่ยอำนาจของบุญเนี่ยเป็นได้จริงๆนะนี่นี่ผู้เจ้าเล่าเองนะถ้าคนอื่นเล่านี่เราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่ผู้เจ้าเล่าเองเลยเล่าให้พานนทฟังพรานนทก็เป็นพื่นผู้จดจําแล้วก็มาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกชื่อมหาสุทัศนสูตร ก็คือมาพระเจ้ามาตัดก่าวที่ไว้ตรงเนี้ในขณะที่พระองค์มานอนอาภาษอยู่ตรงนี้ป่วยหนักแล้วใกล้จะไปบริญิพานแล้วประทูลเชิญให้ไปที่อื่นไปบริญิพานที่อื่นเมืองใหญ่ๆหญ่พระเจ้าก็เลยเล่าย้อนอดีตให้ฟังที่มีมณีแก้วมีนางแก้วนางแก้วก็คือมีบริวารมีสตรีเป็นบริวารตั้ง 84%,00 มแต่ก็จะมีนางแก้วคนเป็นหัวหน้านางแก้วเนี่ยเวลาร้อนร่างกายจะเย็น เวลาอากาศหนาวอย่างนี้ร่างกายจะอบอุ่นเวลาพูดนี่ก็จะมีกลิ่นดอกไม้ออกมาจากปากนเนี่ยนี่คือมีความสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างเลยมีนางแก้วอ่าแล้วก็มีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วคาหา บ, บดีแก้วอันนี้ก็คือถ้าพระราชาอยากได้ทรัพย์อะไรเงี้ยก็เรียกคารา บ, บดีมาแค่นั่งเรือลงไปก็บอกว่าเออดูซิในแม่น้ําเนี้ยคือมันจะมีไหมที่มันมี หม้อเงินหม้อทองอะไรคือเป็นที่ไม่มีเจ้าของอ่ะแค่ขึ้นาบริีนี่เอามือยื่นออกไปก็จะมีหม้อหายทองคํหายเงินอะไรเนี่ยขึ้นมาซึ่งไม่มีเจ้าของอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีเป่นแควนมี 84,000 พันที่เป็นบริวารอ่ะก็จะมีขุนพลหรือว่าผู้ปกครองแทนเขาเรียกว่าปาริณนายกแก้วปกครองแทนหมดเลยเรียกว่าดูแลแทนหมดเพราะนั้น พระเจ้ามหาสุทนานี่สบายมากที่สุดเลยพอต่อมาพระเจ้าจากักรพรรดินี่ก็นานเข้านานเข้าก็คงจะเกิดความเบื่อหน่ายละก็ขึ้นไปบนหอพักของตัวเองอะ่ะแล้วก็ให้ผู้ที่มาเยี่ยมมาเยียนอะไรนี่ห่างออกไปแม้แต่นางอ่ซึ่งเป็นมเหสีอ่ะซึ่งว่าเป็นานางแก้วก็ไม่ให้มาก็บำเพ็ญชานอยู่แ4 0 0 0สี่พันปีต่อมาก็ใกล้จะสวรรคตแล้ว ก็นางแก้วซึ่งเป็นมาเหสีก็พาบริวารมาพากันมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมมาเยียนมาดูว่าพระองค์เป็นยังไงพระองค์ก็สั่งให้เอาบัลลังก์ลงไปในสวนตาลสวนตาลเนี่ว่าเป็นไ ป, นปนด้วยทองด้วยเงินนะต้นตาลต้ น, ตนอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะความสมบูรณ์ของบุญบารามีมันเต็มที่แม้แต่ต้นไม้ก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยพระองค์ก็ประทับในท่าศีหาสายญาติแล้วนางก็ เห็นว่าพระเจ้าสุทัศนะมหาสุทนาจับสวรรค์ครแล้วก็อาไลอาวรก็เลยทูลบอกว่าเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ยมีอะไรต่ออะไรมากมายเหลือเกินมีอาหารก็ 84% ดหมพันถาดพร้อมจะฉันหมดทุกถาดเลยนะมีเนี่ยล่ะจากแก้วมีช้างแก้วมีม้าแก้วมีแก้วมณีมีข้าวบุดีแก้วมีปริญนายกแก้วมีแต่ของดีๆทั้งนั้นละ่ะก็ขอพระ อ, องค์ล่ะ ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้เธดให้อยู่ให้อะไรในชีวิตให้อยู่รักษาสิ่งเหล่านี้ใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้พรรมหาสุทนะก็บอกว่าเออต่อไปนี้ให้เธอนี่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคําพูดใหม่ให้ท่านเบื่อนายสิ่งเหล่านี้เบือนายนางแก้วเบือหนายจากแก้วเบือหนายอะไรต่ออะไรนี่แหะทรัพย์อะไรทั้งหมดที่มากๆาไม่มาอยู่นั่นน่ะให้เบื่อนายแล้วก็อย่าได้อะไรในชีวิตเลยให้เปลี่ยนคําพูดใหม่ คือใกล้จะสวรรค์นครกแล้วนางก็กันแสงร้องไห้แล้วก็เลยพูดนะอย่างนี้ออกมานะแล้วพระองค์ก็สวรรค์นครกนี่พระองค์เล่าให้พระนนฟังน ะ, ะมหาสุทัศนก็สวรรค์พระองค์ก็บอกว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์นั้นน่ะไม่ใช่คนอื่นหรอกคือเราตถาคตนี้เองแล้วก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเมืองตั้ง 84%, ดหมพันเมืองเป็นบริวารเป็นเมืองขึ้นอะ่ะเป็นสมบัติอะ่ะแต่เราก็พักอยู่เมืองเดียวก็คือคอุสาวดีนี้ มีปราสาทอยู่แป0หมี่พันหลังก็พักอยู่หลังเดียวมีอะไรแป0 0มืสี่พันก็ใช้อันเดียวอันเดีย ว, เ ด, ยวเดียวหมดเลยรวมทั้งอาหารอาหารถึงจะมีแต่ละครั้ง8 4ด0 0สี่พถาดแต่เวลาจะเสะวยก็เสวยแค่ถาดเดียวแค่อิ่มเดียวแล้วผู้เจ้าก็ตัดว่าอานุส์สังขารทั้งหลายล่วงไปอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายดับไปอย่างนี้แล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 ในสังขารเหล่านี้เธอควรจะพ้นไปหลุดพ้นไปจากสังขารเหล่านี้สรุปแล้วก็คือพูดให้คลายออกหาทางพ้นไปแล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าเราเนี่ยเหตุผลที่เราต้องมาปรินิพานในสถานที่แห่งนี้เพราะเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนพระมหาสุทัศนะนี้ ได้มาสวรรคตที่นี่ซึงหครั้งแค่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วก็มาสวรรคคตที่นี่หกครั้งนี่คือการเวียนใปตายเกิดพบชาติสร้างบารมีกว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ยาวนานมากเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้รับพยากรณ์ตอนแรกๆว่าถ้าไม่ไม่ออกบวชไม่ออกทรงผนวดไม่ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมายว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่บารมีสมบูรณ์แล้ว ในฝ่ายคารวะก็เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดในฝ่ายคารวะ ส, สร้างบา ร, รมีกว่าที่จะเต็มที่กว่ า, าเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็ยาวนานแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเนี่พระองค์น่ะมาสวรรคตในฐานะที่เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเหมือนพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นน่ะถึงหครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดนี่คือเหตุผลที่เราตาถาคตต้องมาปริทธิ์ผานที่นี่จะไม่มีครั้งที่แปดอีกต่อไป เนี่ยก็หมายว่าหมดแล้วจบแล้วสิ้นแล้วนี่แหละให้เราฟังให้ดีนะเนี่ยเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เคยลุ่มเคยหลงเคยเวียนไหวาตายเกิดพอใจภพชาติของตัวเองแล้วแล้วเล่าเล่า แ, แต่สุดท้ายพระองค์ก็ย้ําแก่พระอานนุ์ว่าสังขารทั้งหลายล่วงไปอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายดับไปอย่างนี้แล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 เธอควรจะหลุดพ้นไปจากสังขารเหล่านี้เพราะนั้นเรามาที่นี่ก็มาอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพานเรามาเพื่อสาระเพื่อแก่นสารของชีวิตของเราเอง<ม>เพื่อให้เราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าในคําสอนของพระองค์นั้นน่ะเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรมีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระของชีวิตเล่า เราเวียนไหว้าตายเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตา ย, ตา ย, แ, ตายแค่นี้เหรอแม้พระองค์ก็เคยเวียนไหว้าตายเกิดมาแล้วแค่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มาสวรรค์นคที่นี่ก็ตั้งหกครั้งคือมันยาวนานมากเป็นอย่างอื่นนะไม่ได้พูดถึงเลยแค่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่หกครั้งแล้วก็สถานที่แห่งนี้พระพผู้เจ้าก็สมัยนั้นก็เป็นเมืองเล็กๆ่เกะเมืองกุสินาราแต่พระองค์บอกว่าสมัยก่อนนะ่ะใหญ่ยาวสิบสองโยธ กว้างเจ็ดยอดแล้วก็นานแนนอาหารหาง่ายผู้คนพั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์อายุยืนยาวแต่แล้วก็ต้องแตกดับสลายไปเหมือนกันแล้วพระองค์ก็พูดเป็นคล้ายๆเป็นลํำพึงอ่ะเป็นบทประพันธ์่ะพูดให้พอๆว่าอนิจจาวตสั่งคาราอุ ป, ปาดาวายธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติ สังบูปะโมสุโคตีแปลก็คือว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนี่เราคงเคยเคยได้ท่องกันอะ่ะมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปบุคคลผู้เข้าไประ ง, งับซึ่งสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขทีนี้ผู้ที่ดับสังขารได้ก็หมายความดับขันดับขันไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในจิต ไม่มีอะไรปรุงแต่งอย่างนี้คือดับกิเลสได้นั่นเองละกิเลสได้ดับกิเลสได้กิเลสไม่เกิดขึ้นในจิตอวิชาดับกิเลสดับหรือว่ากิเลสนิพานหมายว่าหมดกิเลสกิเลสนิพานแต่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าสัปุปาที่เสสารนิพานก็คือบุคคลที่กิเลสนิพานแล้วหมดกิเลสแล้วแต่ธาตุขันยังมีชีวิตอยู่หมายถึงพรานมทั้งหลายเนี่ย ท่านยังมีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีแค่ในโลกเรานี้เท่านั้นนะเพราะะหั์ที่ยังมีชีวิตอยู่มีอยู่ในโลกเราเท่านั้นโลกอื่นไม่มีเทวดาไม่มีเทวดาปับา๊บท่าบรรลุธรรมปุ๊บดับพึบไปเลยมีแค่ในโลกเล่านี้แล้วก็โลกเราก็อยู่ในชมพูเทวีนี้คือโลกเรานี้เท่านั้นโลกอื่นไม่มีโลกอื่นไม่มีผู้เที่ทยวอุบัติขึ้นดูซิเราโชคดีขนาดไหนอะ มาเกิดในดินแดนที่มีผู้เจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ยังติดตามมาจนถึงโอ้ตั้งแต่ที่ประสูตตัสรู้ทรงสแสดงปทมเเษนาสุดท้ายที่ปรินิพานเลยแล้วก็ถ้าหากว่าหมดกิเลสแล้วดับขันไปเลยดับขันดับขันถ้าปารินิพานก็คือไม่เอาขันไม่มีขันไม่ทรงทาตุทรงขันอีกต่อไปแล้วเขาเรียกว่าอนุ ป, ปาที่เสส า, านิพานธาตหมายว่ามันไปไหนก็คือว่า เข้าสู่ความเป็นอนุปาที่เสสานิพานธาตุไปสู่ธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเด็ดขาดเลยถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จิตว่างเปล่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตคือจะมาฟุ้งซ่านคิดเลื่อนลอยเรื่องคนนั้นคนนี้ไม่มีอ่ะถ้าจะคิดก็คิดอย่างมีเหตุผลสว่วเหนใครไม่ดีก็ไม่ได้ไปตำหนิเขาก็จะมีอาจจะ พูดธรรมะขึ้นมาก็ได้คือมีสติรู้อยู่ว่าเออเขาเป็นธรรมชาติของเขานะกรรมของเขานะแล้วถ้าเอามาเกี่ยวข้องกับเราล่ะก็มาเกี่ยวข้องกันสําคัญตรงที่เราเราจะเกี่ยวข้องกับเขายัางไงไม่ใช่ไปโทษเขาเขาไม่ดีขนาดไหนก็ไม่ได้ไปโทษเขาแต่ว่าเรานี้จะเกี่ยวข้องกับเขายัางไงมันไม่มีความรังเกียจชิงชังอะไรกันมันมองโลกอย่างรู้อย่างเข้าใจว่าเออทุกคนก็ไปตามกรรมมาตามกรรมเป็นธรรมชาติ รอวันเวลาที่จะรู้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะจิตใ จ, จเจริญขึ้นแล้วก็เบื่อหน่ายเห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจนเบื่อหน่ายแล้วก็ทิ้งสังขารทั้งหมดไปปล่อยวางไปเบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็หลุดพ้นไปเพราะฉะนั้นอุดมคติในพระพุทธศาสนาก็คือต้องหาทางหลุดพ้นไปพ้นทุกไป พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเด็ดขาดแน่นอนเราต้องถามตัวเองสิว่าจิตของเรายอมรับไหมคําสอนของพระเจ้าอันเนี้ยโอวาทนี้มันเข้าไปในจิตเราไหมถ้าเราถามตัวเองว่านี่พระผู้เจ้าสั่งพระอาหนอนเอาไว้ว่าควรจะเบื่อหน่ายควรจะคลายกําหนัดควรจะหลุดพ้นไปจากสังขารเหล่านี้ก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นทุกข์หรือถึงพระนิพพานนั่นเอง เราพร้อมไหมเรายังอะไรอาวอนอยู่ไหมถ้ายังอะไรอาวอนอยู่แสดงว่าโอ้โหเรายังหนาแน่นมากเลยนะยังไม่สามารถรับเอาธรรมะของผู้เจ้าได้นะยังไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของผู้เจ้าเลยยังเชื่อความหลงของตัวเองอยู่เลยว่าท้าเวียนว่ายตายเกิดก็จะได้นูน่นได้นี่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อันนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่อย่างน้อยก็เกิดอีกเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้พบปะคนนั้นคนนี้ลูกล้านเลน ไ, ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าไปอันนี้แสดงว่ายังห่างไกลนะเนี่ยพเพราะพระเจ้าสั่งเอาไว้เรียบร้อยต้องเบื่อหน่ายคายกำหนัดและต้องหลุดพ้นไปแล้วก็สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้มีอะไรเลยแค่เกิดดับไปต้องระ ง, งับเข้าไประ ง, งับสังขารเหล่านั้นก็คือดับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งกิจได้ สังขารมันดับไปเฉยเฉยอะว่างเปล่าเลยจีบบ้างเปล่าโล่งโปร่งบ้างเปล่าไม่คิดให้ตัวเองเป็นทุกอีกถ้าจะคิดก็คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดได้อยู่แต่คิดอย่างมีสติตลอดนะไม่ได้เป็นหลงว่าเออความคิดเป็นเราเป็นอะไรเลยนะแค่รู้สึกว่าเออคิดขึ้นมาแล้วก็จะดับไปคิดเพื่อที่จะให้รู้ว่าควรทำอย่างไงอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามันก็ต้องคิดก่อนอะไรควรทําก็ทําได้อะไรไม่ควรทําก็ไม่ทําได้ บังคับควบคุมตัวเองได้มันจึงไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตจึงเรียกว่าสังขารมันดับไปดับไปจากจิตยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าสอุปาที่เสศนิพานเป็นนิพานแต่ว่ายังมีธาตุมีขันอยู่แต่ถ้าขันเนี้ยมันแตกดับสลายแล้วขันท่านี้มันสลายแล้วก็เรียกว่าดับขันทัปปรินิพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนแนละ้ว เข้าสู่ธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วเพราะฉนั้นเรามาที่นี่ถ้าใครตระหนักมันรู้สึกว่าเออขนาดพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐขนาดไหนนะอนุภาพท่านขนาดไหนมีอภิน ญ, ญาครบพร้อบทุกสิ่งทุกอย่างอยากรู้อะไรก็รู้หมดแต่สุดท้ายก็ต้องสั่งเสียเอาไว้่าต้องเบื่อหน่ายลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายเกิดน้เสย ดีวิเศษขนาดไหนถ้ายังเวียนไหวใจเกิดอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่อ่ะมันก็ยังมีภาระอยู่ถึงเป็นพ่อหานถึงเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยไอ้ธาตุขันเนี่ยมันก็เป็นภาระนะเวลาหนาวก็หนาวนะอู้หนาวเย็นเนี่ยรู้ว่าหนาวแต่ใจมันไม่ทุกข์อ่ะรู้ว่าเอ อ, เ อ, อไอ้เนี่ยน่ะไอ้ร่างกายเนี่ยแหมมันหนาว ม, มามันก็ทรมานข้ามันนะ บางคนนี่อาจจะนอนไม่หลับเลยมันนอนไม่ค่อยหลับมันเยือกมันเย็นอ่ะมันใจมันก็อยากหาอะไรมาให้มันความอบอุ่นพอมันประทังมันไปอันนี้ก็เป็นธรรมดานะนี่คือมีร่างกายอ่ะมันมีทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจิตไม่มีอะไรแล้วมันก็ยังต้องแบกภาระท่านึกว่าเนี่ยมันมันเป็นภาระมันเป็นของหนักต้องไปหาอาหารให้รับประทานดื่มน้าแก้กระหาย ปวดปัสสาวะอุจจาระก็ต้องเข้าห้องน้ําห้องส่วนปายเนี่ยนันเป็นภาระทั้งหมดเลยอ่ะถ้าใครมองเห็นว่าอันนี้มันเป็นภาระนี่แสดงว่าจิตมันเจริญขึ้นแล้วแต่ถ้าใครมองเห็นว่าอุยฉันดีฉันเนี่ยต้องกินของอร่อยอร่อยมีความสุขอร่อยแล้วมีความสุขมีรสมีชาติลื่นเริงบันเทิงเบิกบานเกิดเป็นเรานี่แหมมันมีความสุขจริงจรินา นนเนี่ยมันหลงเลยเนี่ยหลงแบบชนิดไม่รู้ว่าตัวเองหลงเลยสิทีนี่โอ้หน่าสงสารมากเลยนะหลงแบบไม่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองหลงนะโอ้เกิดมามีความสุขเหลือกนินอยากได้อะไรก็ได้อยากรับประทานอะไรก็ได้รับประทานอยากไปไหนว่าไหนก็ได้อยากเที่ยวไหนก็ได้อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆก็ได้แต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆก็ได้ นี่มันหลงโดยมันรั่วหลงอ่ะนี่มันก็พาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามาฟังพระพุทธเจ้าที่นี่ชี้ให้ดูมันเป็นทุกข์นะนั่งนานก็เจ็บก็ปวดนะยืนานานๆก็ปวดก็เมื่อยนะเดี๋ยวก็ป่วยก็ไข้นะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นตรงนี้นะเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดท้องปวดเนื้อปวดตัวบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็ป่วยไข้ช็อกขึ้นมา หายใจจะไม่ออกมันก็จะตายเอามันก็อืดอ า, าดขาดคล้องแต่ถ้าจิตที่มันมีธรรมะมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะเออมันรู้ยอายอมรับได้ไปก็ไปมันก็วางได้ปล่อยได้สรุปแล้วก็คือเราก็มาเอาคติสอนจิตเราให้ตระหนักให้รู้เข้าใจเรื่องชีวิตแล้วก็เข้าใจตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นคือมองเห็นชัดเจนว่าสังขารทั้งหลายต้องล่วงไป สังขารทั้งหลายต้องดับไปต้องแปรไปต้องเสื่อมต้องสิ้นไปเราเองการที่ได้มาที่นี่ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็คงพยากรณ์ได้ว่าเราก็เคยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้นับภพบนับชาติไม่ถ่วนเหมือนกันเราจึงได้มีโอกาสเวียนมาอย่างนี้โดยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตามมาอีก มาฟังธรรมะและก็ยิ่งมาสถานที่ที่ปรินิพานด้วยโอ้โหชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าของเราแท้ๆเลยนะที่เราเคารพศรัทธาเลื่อมใสก็ต้องดับขันธ์ปรินิพานเหมือนกันนะธาตุขันธ์ต้องแตกต้องสลายไปเหมือนกันต้องทิ้งเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าต่างจากคนที่ยังไม่ได้หมดกิเลสตรงที่ว่าพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ว่าโลกไหนไม่กลับมาอีกแล้ว แต่เราสิเป็นยังไงอ่ะต้องเวียนไหวใจเกิดใช่ไหมถ้ายังเวียนไหวใจเกิดอยู่ก็ละหกละเหินต่อไปแล้วเกิดมาแล้วสุขตลอดไปไหมหรือว่ามีทุกข์ด้วยทุกข์กับสุขอันไหนมากกว่ากันล่ะแม้ที่เราว่าสุขนั่นเทียบกับความไม่มีทุกข์เนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งที่เราว่าสุขสุสุขอ่ะได้อาหารอร่อยสุขได้ที่หลับที่นอนสบายเป็นสุขอ่ะได้นู่นได้นี่เป็นสุขอ่ะสุขจริงไหมสุร้ยเปอร์เซ็นต์ หรือมันยังห่วงใยยังอะไรอาวรกลัวเป็นนู่นกลัวเป็นนี่กลัวคนนั้นคนนี้มาหยิบมายืมมาแย่งมาชิงกลัวมันเสื่อมกลัวมันสิ้นกลัวมันสลายอยากให้มันอยู่ตลอดไปหรือว่าอยากให้มันเต็มอิ่มอยากให้มันเต็มที่มีไหมแสดงมันยังบกพร่องอยู่มันยังไม่สมบูรณ์นี่คือความทุกข์ที่มันอยู่ในจิตเราอ่ะมันไม่ได้สุกจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนก็คือชี้ให้เห็นว่าโลกเหล่านี้น่ะมันเป็นแค่มายาเป็นภาพลวงตามันลวง หลอกลวงสําหรับคนที่มีจิตใจลุ่มหลงจิตใจที่โง่ไม่มีสติปัญญาไม่ฉเฉลียวฉลาดไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองมันก็มองไปตามมันน่าของความหลงก็เหมือนกับมันน่าอยู่น่ายินดีย่าเพลิดเพลิน น, น่าสนุกสนานน่าลื่นเลืองบันเทิงใจแต่พระพุทธเจ้าสอนให้มองเห็นชีวิตมันน่าเบื่อหน่ายต้องคลายกําหนัดออกจากมัน ต้องหลุดพ้นเนี่ยสุดท้ายต้องหลุดพ้นไปจากมันเป็นอิสระไปจากมันนี่ล่ะเรามาสังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายคือสถานที่ปรินิพานสังเวชนียสถานก็คือมาทำให้จิตเรามันเกิดสังเวชคำว่าสังเวชก็คือกระตุ้นเตือนจิตของเราให้ระลึกถึงธรรมะของพระเจ้าหรือพระประสงค์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือให้เราเข้าใจชีวิตของเรา แล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่ให้มันมีความหลงค้างคาอยู่ในจิตใจของเราอย่างน้อยเข้าใจตรงกับพระประสงค์ของผู้เจ้าแล้วทีนี้เหลืออย่างเดียวคือปฏิบัติตามคราวนี้มันก็ง่ายขึ้นเพราะเราเชื่อตามแล้วเราไม่หลงแล้วเรามั่นใจแล้วเราจะเดินตามผู้เจ้าแล้วเราจะหาทางออกแล้วหาทางหลุดพ้นแล้วเอออย่างนี้ก็ง่ายสิถ้าเราเดินทางยางเอ้ยจะใช่หรืออันนั้นก็ยังดูหน้าอยู่หน้าพอใจอยู่อ่ะ น่าอะไรเอาวอลอยู่ไอ้ยอย่างนี้มันมันไม่เต็มร้อยอะถ้าเต็มร้อยมันต้องมีเป้าหมายเลยจากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินตามทางหัวใจแน่นอนเพื่อออกจากทุกเท่านั้นเอ้ยอย่างนี้มันก็เร็วสิเพราะว่าจิตมันไปแล้วนี่มันมุ่งหน้าเดินทางแล้วนี่ลังเล่อยู่เอ อ, อันนั้นก็ของเรานี่ก็ของเรานั่นก็หน้าอันนั้นก็ดีนั่นก็ดีมันก็ยึดติดข้องอยู่มันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเราเกิดเอาชาตินี้มันยังมีภาระอยู่เอ้า เราก็สร้างบา ร, รมีไปก่อนก็เอาก็ได้ชาตินี้ได้ขนาดไหนก็เอาเนื่องจากว่าเออเรามีภาระแล้วเราไปมันรู้สึกมันมีความจำเป็นแล้วมันเป็นอะไรที่เราจะต้องมาดูมาแลอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าแสดงว่าบา ร, รมีเรายังไม่ถึงมันก็เลยมีสิ่งที่เหนียวลังเราเอาไว้ให้ติดข้องอยู่กับโลกต่อไปก็หวังว่าเอาชาติต่อไปถ้าชาตินี้ เราไม่หลงมากหรือเราเข้าใจแล้วชาติต่อไปมันก็มีโอกาสที่เราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นชาติต่อต่อไปก็มีโอกาสอินทรีย์ของเรามันแก่กล้าขึ้นมามันบริบูรณ์สมบูรณ์สามารถบรรลุตามพระพุทธเจ้าได้เอาตั้งใจนะให้ตื่นขึ้นให้ตื่นตื่นเขาจิตเราให้มันตื่นตื่นแล้วก็ทบทวนพระประสงค์ของพระพุทธเจ้ามหาหูเจ้าสอนอะไรมีพระประสงค์อะไร เราเข้าใจไหมทบทวนมาเข้าไปหาจิตเราจิตเรายอมรับได้ไหมใครไม่ตื่นก็เปิดเสียงดังๆหน่อยเอาให้ตื่นให้ได้ตื่นตื่นทบทวนทำมาขงมุขเจ้าว่ายังไงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ้อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็แค่นี้เองใครสามารถดับ เข้าไปดับสังขาร น, นี้ได้ดับสังขารก็คือพ้นไปจากสังขารไม่เอาเรื่องสังขารมาปรงมาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวแก่จิตใจตัวเองจิตเป็นอิสระหลุดพ้นนี่คือคือดับสังขารระงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งเตสังบูปะสะโมสุโ ข, ขแล้วก็ปัจชิมอว่าปัจชิมอาวาจากคำพูดประโยคสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่สั่งเสียสาวกของพระองค์ พระ อ, องค์ได้ตัดกับภิกษุที่แวดล้อมอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด คำว่าประโยชน์ตนก็คือนี่มาเจริญสติมาเจริญสติมีกำลังขึ้นมาจนอริยมรคมีองค์8สมบูรณ์บริบูรณ์พ้นจากทุกนี่เองประโยชน์ตนเต็มที่ก็คือพ้นจากทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตเป็นอิสระหรือหมดสิ้นอาสวักิเลสภายในจิตใจประโยชน์ท่านถ้าหาว่าใครสามารถที่จะปฏิบัติจิตตัวเอง จนติดเลื่อนชั้นเป็นพระรยเจ้าเป็นพระโสดาบันนี่ก็เป็นห่วงบุญเลยนะคนที่ทําบุญกับพระโสดาบันก็บุญก็ประมาณไม่ได้หรือผู้ที่เป็นพระรยเจ้าใครเห็นแล้วกิยามารยาทมันสงบอยู่ภายในเห็นแล้วมันก็ทําให้คนที่เขามองดูมีความสงบด้วยอะไรที่ไม่สมควรจะพูดทําแสดงออกไปแล้วมันเกิดปัญหาลุมร้อนท่านก็จะระงับได้หยุดได้ มันก็ทำให้คนอื่นเขาก็เยือกเย็นปัญหาน้อยลงไปเรื่อยๆหรือว่าอาการมันสงบจากภายในกระแสแห่งความสงบมันก็ออกมาภายนอกคนที่มองดูหรือคนที่สัมผัสก็มีความสงบไปในตัวได้หรือว่าท่านสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ท่าน ป, นปตปฏิบัติมา สิ่งที่ท่านครูแล้วเข้าถึงแล้วก็มาอบรมสั่งสอนก็เป็นประโยชน์สูงขึ้นไปเรือ่อยๆตามลําดับตามลําดับเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะปฏิญญาเป็นประโยชนสุดท้ายเลยมีภิกษุแวดล้อมพระองค์ทีแรกพระองค์ก็ตัดถามก่อนนะเอาพวกเธอมีอะไรสงสัยไหมเรายัางมีชีวิตอยู่นะเราจะตอบให้เดี๋ยวคนรุ่นหลังเขาจะตำหนีเอาได้นะ เวลาไปสงสัยอ่ะคนรุ่นหลังจะตำหนีเอาได้ว่าทำไมไม่ถามพระพุทธเจ้าเล่าสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็เปิดโอกาสให้ถามแล้วให้ถามภิกษุงเงียบพระเจ้าก็เปล่งพระวาจาเป็นประโยคสุดท้ายเลยหันดานี้พิกเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมาสั้งฆาราสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอปมาเดนะซัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอแล้วพระองค์ก็ปรินิพานพระเนรพระองค์ก็ปิดแล้วก็ไม่เคยเปิดอีกเลยดับขันธทปรินิพานเรียบร้อยกิเลสปรินิพานแล้วใต้ต้นศีมหาโพธิ์แล้วก็ขันธทปรินิพาน ก็ดับที่นี่ปริณิพานที่นี่แล้วก็มีพระไตรปิฎกพูดถึงว่าอีก 2,500 ปีต่อไปครบศาสนาครบ 2,500 ปีก็จะมีพระธาตุปริณิพานคือสุดท้ายพระธาตุจะไปรวมกันที่โพธิบัลลังก์บัลลังก์ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็เกิดเตโชธาต์เผาไหม้พระธาตุแล้วพระศาสนาก็อันตรธานตั้งแต่บัด น, นั้น ไม่มีใครพูดถึงบุญพูดถึงกุศลพูดถึงพระพุทธศาสนาอีกต่อไปแล้วในจิตใจของมนุษย์ไม่มีศาสนาพุทธอยู่อีกเลยเทวดาทั้งหลายเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่ า, าต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปแล้วก็ใจว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าอีกนานแสนานานกว่าที่ภาษียยเมตรายจะอุบัติขึ้นมาเราพบคําสอนของพระเจ้าแน่นอนแล้วและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า แล้วรู้ความจริงสูงสุดแล้วว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แหละขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆมีอนุภาพขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องแตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปแล้วพระองค์ก็สั่งเสียเอาไว้หมดเรียบร้อยเลยบริบูรณ์สมบูรณ์เลยเล่าประวัติให้ฟังเรียบร้อยว่าเมืองกุสินาราแต่ก่อนชื่อว่ากุสาวดี ดูสิอดีตเลยนะ่ยย้อนหลังไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะเนี่ยพระองค์ก็เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองมีอะไรสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีอนุภาพมากประชาชนรักใครลูกก็งามเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากเลยแต่ก็เวียนว่ายตายเกิดแค่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็มาสวรรคาคตตรงนี้ตั้งหกครั้ง ครั้งนี้ปริญญิพานนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดจะไม่มีอีกนี่แหละคือการเวียน่ายตายเกิดพงเล่าให้ฟังเพื่อจะให้ได้มองภาพชัดเจนว่า น, นี่คือการเวียนไหวตายเกิดแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรลอกถ้าเรามาแล้วใครเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วจะเดินตามทางของพระเจ้าก็คือหาทางออกพอเราเวียนไหวตายเกิดมาแล้วเหมือนพระเจ้าท่านเวียนไหวตายเกิดมาแล้วชาตินี้ก็หาทางออก หลุดพ้นนั้นก็คือเบื่อหน่ายอ่เบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหนายในการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ได้มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระแล้วพอแล้วพอแล้วพอก็ต้องหยุดไม่ให้อารมณ์อะไรเข้ามารบกวนเพราะตรงนี้มันทําให้ภาวเวียนว่ายตายเกิดก็คืออารมณ์ที่เข้ามาอยู่ในจิตเราเรื่องเราที่มันเกิดขึ้นในจิตเรามีไหมเนี่ยเราก็เรื่องอะไรบ้างนี่ถ้าจิตเรามันอยู่แล้วก็ยกเอาเรื่องมาดู เรื่องอะไรอ่ะที่มันวนเวียนเข้ามาอยู่ในจิตเราตัวนี้ก็พาเวียนไหวตใจเกิดถ้าเราไม่อยากเวียนไหว้ใจเกิดก็หยุดหยุดก็คือคิดให้มันจบซะหาคำตอบกับเรื่องนี้ให้มันได้เรื่องนี้ควรทํำยังไงอะจะทําตามนี้ให้มันจบอยู่ในจิตเราไม่ให้มันมาวนเวียนอยู่ในจิตเราเรายังอยู่กับโลกก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปเหมือนพระพุทธเจ้าในสมัยพระองค์ยังทรงพระชนมอยู่พระองค์ก็ต้องเกี่ยวขอ้องกับสาวกของพระองค์ ต้องจาลิกไปอบรมสั่งสอนไม่อยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าเออบริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นแล้วก็อยู่เฉยๆนั่งๆ่งนอน ๆ, นอนๆรอวันตายไม่ใช่อย่างนั้นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็รู้ขึ้นมาว่าโอ้ชีวิตมันมีค่าคุณค่าของชีวิตมันอยู่ตรงไหนก็ได้ทําประโยชน์กัส่วนรวมแล้วประโยชน์ที่คนที่อย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วอะว่าจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละมันเป็นของประเสริฐที่สุดสูงสุด จใจพระองค์ไปทําอย่างอื่นมันทําไม่ได้หรอกก็ต้องมาประกาศเผยแพ่คําสอนที่เป็นไปเพื่อความผนุกคนอื่นเขาทํำยังไงเขาทาไปพระราชาก็ปกครองแว่นแคว้นบ้านเมืองไปพ่อค้าวานิชก็ทํามาค้าขายไปแต่พระองค์ก็ต้องจาริกไปจริญรรมิกขเวดูกรภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปจาริกัลงจรรรมพิกเวจาริกัลงดูกรภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไป จะลิกไปเพื่ออะไรเพื be ่อประกาศพรหมจรรย์เพื่อประกาศคําสอนเพื่อคนนําไปประพฤติปฏิบัติและออกจากทุกข์ได้เพราะถ้าเราไม่ออกไปอย่างนี้คนที่เขามีโอกาสเขาจะเสียโอกาสไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะอันเป็นไปเพื่อที่จะนําพาจิตใจของตัวเองให้ออกจากทุกข์ได้นีพระองค์ทรงห่วงใยอย่างนี้สาวกก็ต้องให้จะลิกไปแต่สาวกที่พระองค์ให้จะลิขิตไปหมายว่าผู้ที่พ้นแล้ว ได้ประพฤติปฏิบตัติฟังธรรมของพระองค์ประพฤติปฏิบัติพ้นแล้วก็ให้จาริกไปเหมือนกันและในยุคสมัยที่สาวกยังน้อยอยู่พระองค์สั่งไว้ด้วยทางสายหนึ่งให้ไปองค์เดียวอย่าไปซ้ํากันสององแม้เราแต่เท้าคตรก็จะไปองค์เดียวเหมือนกันขนาดนั้นเลยนะเป็นห่วงเป็นใหญ่ชาวโลกเป็นอันมากแล้วเราเป็นห่วงตัวเองไหมถ้าเป็นห่วงตัวเองก็ต้องหาทางออกดูก่อนอานนท์ สังขารทั้งหลายล่วงไปอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายดับไปอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายแปลไปอย่างนี้แลอานุ์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แลสมควรที่เธอจะต้องเบื่อหน่ายสังขารนี้สมควรคลายกำหนัดสังขารนี้ สมควรพ้นไปจากสังขารนี้อา น, นิจาวตสั่งฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาดวยธรร ม, มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติเกิดแล้วก็ดับไปเตสั่งบูปสโมสุขโขการเข้าไประงับซึ่งสังขารเหล่านี้เสียได้เป็นความสุขเนี่ยใครอยากพบสุขที่แท้จริง ก็คือปฏิบัติจิตจนจิตมันปล่อยมันวางไม่เอาอะไรมาปรุงแต่งในจิตอีกต่อไปแล้วควรเกี่ยวข้องอยังไงก็เกี่ยวข้องไปแต่พยายามที่จะให้จิตของเราไม่ไปยินดียินร้ายกะบอะไรถ้าพูดให้มันพอดีกับสภาวะของแต่ละคนก็คือว่าควรทํายังไงก็ทําไปแต่จิตใจไม่พยายามที่จะให้มันมีความยินดีร้ายยินดีมาก็รู้ว่ายินดียินร้ายมาก็รู้ว่ายินร้ายเพราะเรายังไม่สามารถหลุดพ้นไปก็เอาอย่างนี้ไปก่อนพยายามมีสติรักษาจิตไว้สติรักษาจิตไว้ ถ้าสติใครมีกำลังมันจะไปกั้นกั้นอารมณ์เอาไว้อากุศลมันจะปุ๊บเข้ามาสติมีกำลังจะกั้นตึ๊บเอาไว้เลยแต่ถ้าสติมันอ่อนอารมณ์อะไรเข้ามาปุ๊บรับเอาไว้กูแย่แล้วมันว่า ก, ก, ากูกูอยากได้นู่นกูอยากได้นี่นี่คือสติอ่อนปัญญาอ่อนถ้าสติปัญญามีกำลังตึ๊บขึ้นมารู้ตึ๊บรู้ทันทีอ๋อมันอยากจะเอานี่แล้ว แต่๋ยวแล้วมันก็จะคิดต่อไปอีกว่าเอามันมีเหตุผลสมควรหรือไม่สมควรมันไม่หยุดนะไม่อยุดเฉยๆเราก็รู้ทันอีกเอาสมควรเอาเอาได้จิตก็ไม่ดิ้นโลนไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามันเอาตามนา้นของความหลงมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวอยากนู่นอยากนี่ได้ตอนมันอยากอยู่มันก็ว่าได้อันนี้จะพอแล้วจะสุขแล้วสบายแล้วหยุดแค่นี้แล้วแต่พอได้มาปุ๊บมันจะหาอันใหม่แม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มี นี่เหละจะคิดว่าได้มาสมอยากสมความต้องการแล้วมันจะพอไม่มีทางอะ่ะตันหาไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าอิ่มเต็มอย่าไปยอมตามตันหาพระพุทธเจ้าจึงเพียนให้เพียนเผากิเลสให้เล่าร้อนด้วยต้องเอาชนะตันหาเพื่อเราจะได้ให้ตันหาอยู่ในอานาจของเราเราจะได้รู้อะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาเอาเตรียมตัวนะเอาเตรียมตัวนะ ให้ตั้งใจบูชาพระเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายนะให้ตื่นนะสุดท้ายแล้วนะเอาร่างกายของเราถวายเป็นพุทธบูชาเลยเอาจิตของเรากลับเข้ามาถวายเป็นพุทธบูชาให้มันตื่นรู้ตื่นรู้แล้วก็ทำความเข้าใจด้วยไอ้ร่างกายอันนี้มันก็ต้องแตกดับสลายไปเหมือนพระวรกายของพระเจ้าจิตใจทำยังมีกิเลสอยู่ มันมากมันก็จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดมากยิ่งถ้าว่ามีอากุศลมากมันจะไปต่ำอากุศลมันมากไหมเราหันเข้ามามองดูจิตเราเอามาตรวจสอบดูตัวเองไม่ดูคนอื่นดูตัวเองอากุศลในจิตเรามันมากไหมมันมีไหมมันชอบเกิดขึ้นตอนไหนเราจะรู้ทันมันไหมจะยับยั้งมันไหมถ้าเราหยุดมันได้มันจะเบาลงแต่ถ้าเราทาตามมันมันจะอ้วนขึ้น ไอตัวกิเลสมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนเราให้เหยื่อมันมันจะอ้วนเราทําตามมันคือให้เหยื่อมันเถ้าเราหยุดมันได้มันจะผอมลงเองแล้วมันจะตายเองเหมือนเสือเราฆ่าเสือไม่ได้ฆ่าตรงๆไม่ได้เราต้องล้อมไว้ล้อมเอาไว้ไม่ให้มันกินเหยื่อม่ให้เหยื่อมันเราจะผอมลงผอมลงเสือตายเองกิเลสก็เหมือนกันเราอย่าให้เหยื่อมัน มันอยากอย่าให้มันอย่าให้มันให้มันอดอยากหิวโหยและก็ให้มันตายไปนี่มันต้องรู้วิธีรับมือกับไอ้พวกนี้ด้วยไปเสริมมันไม่ได้ตรงกันข้ามถ้าหากว่ามันกลัวเราเข้าไปในบริเวณที่มันน่ากลัวนั้นเพื่อให้มันโผล่หน้าออกมาแล้วมันจะอ่อนกำลังลงเหมือนกันเผชิญหน้ากับมันก็ได้บางทีไม่ให้มันมันอยากเอานู่นเอานี่ไม่ให้ บางทีมันไม่กล้าเป็นความดีมันไม่อยากทำทำเอาชนะมันเนี่ยมันมีกระทั่งเราก็ดูเอาว่าเหมาะสมยังไงเนี่ยวิธีที่จะพัฒนาจิตของตัวเองแล้วที่สำคัญพยายามมีสติเอาไว้มีสติเอาไว้แล้วมีตอนหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับพระอานนท์ว่าที่พระ อ, องค์นะ่ะมีทรัพย์อะไรมากมายมีเมืองขึ้น 8,400 มสี่พันมี ช้าง 84,000 ื่เชือกมีม้า 84% ด0 0พตัวมีนางแก้ว 84,000 พมีอะไร8ปดหมพันพันเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยต้นไม้พวกนี้ประดับด้วยทองประดับด้วยเงินโอ้โหบันไดเงินบันไดทองหมดเลยนะที่ประทับที่อะไรมูลเนี่ยพระองค์สาธยายมาหมดเลยเหตุที่พระองค์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์เหล่านี้ ก็เพราะว่าพระ อ, องค์ได้ทำสามอย่างต่อไปนี้นี่พระ อ, องค์บอกทางให้ด้วยนะบอกวิธีเพราอย่างเรียนว่าไตายเกิดอยู่งก็เรียกว่าเกิดชนิดที่สมบูรณ์เลยบริบูรณ์สมบูรณ์เลยทีนี้ถ้าใครอยากทําตามก็ลองฟังดูว่าผู้เจ้าตัดกับพระ อ, อ น, นุ์ว่าอย่างไงดูก่อนอา น, นุ์เหตุที่เรามีความบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้ว ย, วยอะไรต่ออะไรบริวารอะไรมากมายอย่างเงี้ยก็เพราะว่าหนึ่งคือเราได้ทําทานมาแล้ว ไม่ใช่ขยันนะไม่ขยันหานะคงเป็นพุบุญที่เคยทําทานมาแล้วแล้วอันที่สองที่ทําให้เหตุได้สิ่งเหล่านี้มาก็เพราะว่าเรามีธรรมะคือการข่มใจรู้จักควบคุมจิตของตัวเองบังคับข่มใจตัวเองไม่มแสดงออกไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอุปาทานตามอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นธรรมะการบังคับข่มใจก็สําคัญ ต้องมีสติรักษาจิตตัวเองไม่ทำตามมนาจของความอยากความต้องการที่ไม่จำเป็นที่ไม่สมควรและอันที่สสัญญะคือการสำรวมจิตใจนี่คุณสมบัติ3อย่างนี้ที่ทำให้พระองค์มีอะไรต่ออะไรบริบูรณ์สมบูรณ์จนเป็นถึงพระเจ้าจากักรพรรดิเรามีไม่ทานอ้าวทานก็เอาทำไปตามฐานะตามสภาพก่อนไปเรื่อย 2. อธรรมะบังคับข่มใจตัวเองมันโกรธก็ต้องข่มมันไว้อย่าให้มันแสดงออกไป ถ้ามันอยู่แค่ข้างในนี่ขังมันไว้เดี๋ยวมันก็จะค่อยดับลงไปอ่อนลงไปแล้วก็ต้องอาศัยสัญญาณ ค, คือการสำรวมตาหูจมูกดิ้นกายใจมีสติรักษาจิตใจเราเอาไว้ดูเหมือนมันจะไม่ไม่ตรงกับความรู้สึกทางโลกนะทางโลกต้องขยันต้องมีเทคนิคต้องศึกษาวิธีการทั้งหลายเพื่อให้ได้ทรับมากๆ แต่อันนั้นก็อาจจะมีด้วยแต่ผู้เจ้าบอกว่าที่ได้มาจริงๆอ่ะเพราะทานเพราะบุญเก่าที่เคยทํามาต้องรู้จักทําบุญทําทานแล้วก็ต้องรู้จักบังคับข่มใจด้วยอย่าไปตามทำตามอํานาจความอยากความต้องการของตัวเองตลอดมันไม่ได้ขังมันไว้มันจะได้อ่อนกําลังลงสุดท้ายก็ต้องมีการสัญญา ะ, ะคือสํารวมสํารวมจิตใจสํารวมตาขอ ง, งจมูกลิ้งกาย สุดท้ายก็คือลงที่ใจอันนี้เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้เราบริบูรณ์สมบูรณ์ในโลกจนกระทั่งเป็นระดับถึงเป็นพระเจ้าจักรพรร ด, ดิได้ถ้าว่าเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นประเสริฐสูงส่งขึ้นเนี่ยมันทำได้ยังไงแต่าตามความเห็นของเราบางทีมันก็ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเราศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วก็อยากจะถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราอยากให้บริบูรณ์สมบูรณ์เหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิก็ต้องมีคุณสมบัตสามอย่างทานธรรมะบังคับข่มใจสัญญมณสารวมจิตใจเอาให้เราบูชาพระเจ้านะบูชาพระเจ้าด้วยการในเมื่อพระเจ้าปรินิพานก็คือพระองค์วางหมดแล้วทิ้งหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรสุดท้ายไม่เอาอะไร ร่างกายก็ต้องแตกดับสลายไปจริงเราต้องตายจากโลกนี้จริงถ้าตายไปแล้วเอาอะไรอาวอ์อะไรล่ะที่นี่เล็งดูก็ได้ตรวจ ด, ดูก็ได้เราตายไปแล้วอะอะไรอาวร์ขนาดไหนเราก็เอาไปไม่ได้อะมันก็ต้องอยู่คู่โลกไปห่วงใยขนาดไหนเขาก็อยู่ของเขาไปถ้าเขามีบุญเขาก็อยู่ของเขาดีบริบูรณ์สมบูรณ์หรื อ, อดีกว่าตอนเราอยู่ก็ได้ด้วยแต่เมื่อเราตายไปแล้วอะ เขามีกรรมไม่ดีก็เป็นยังไงก็เรื่องกรรมของเขาไปเรียกว่าวางอย่างเดียวเลยไม่เอาเลยอะ่ะทิ้งเลยอปล่อยเลยอวางเลยอนี่เรียกว่าตายก่อนตายตายก่อนตายเลยคือทิ้งซะก่อนรู้เข้าใจซะก่อนปล่อยวางมันซะก่อนไม่ให้มันมาลุงรังอยู่ในจิตของเรานี่แหละบูชาผู้เจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายก็คือทําเหมือนกับว่าเราจะตายเหมือนกัน พู้จเจ้าปรินิพานแต่เราเนี่ยยังอยู่ในขั้นตายก่อนยังปรินิพานไม่ได้าะกิเลตเรายังไม่หมดก็ปล่อยวางทิ้งไม่เอาอะไรไม่จิตไปยึดไปติดข้องอะไรมันติดก็สอนมันเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ไปตามธรรมชาติอยู่กับโลก